หปัจจญานุโลม 2. ส, สังขยาวานสุทไนัย439เก้หตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระชานปัจจัยมีเจ็ดวาระ มรรคปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิวกตปัจจัยมีสิบสามวาระเหตุส ภ, ภาข้างในสี่้อยสี่สิบอัทถิ ปฏิปปใจกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตรียปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระ สัมปยุตตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระเหตุสามัญยคตนา4ี่้สอดปัจจัยหคือเหตุสหชาตานิตัยอัถิ และอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจคือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิตยะวิปยุตตะ อธิและอวิคตะมีสามวาระในมือเล็บอวิปากะ4ปัจจัย6คือเหตุสหชาตะนิสยวิปากะอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะอัญญยมัญญานิสยาวิปากะอัถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะ อัญญมัญญานิตยาวิปากะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย7คือเหตุสหชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตติ และอวิคตมีหนึ่งวาระในวุงเล็บสวิปากะ5้าสินตริยมัคคคตานา442ี่ปัจจัย7คือเหตุสหาชาตะนิตยอินตริยมัคคะอธิและอวิคตมีสวาระปัจจัย8คือเหตุสหาชาตานญญมัญญะ น, ะนิตย อินทรียะมัคคะอธิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คือเหตุสหชาต ะ, ะอัญญมัญญานิสียอินทริยมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะนิสียอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอธิและอวิคตะ มีสองวาระในวงเล็บอวิปากะ4ปัจจัย8คือเหตุสหาชาตะนิตยวิปากะอินทริยมามัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือเหตุสหาชาตา น, น, นิญมัญญะนิตยาวิปากะอินทริยมัคคะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยสิคือเหตุสหาชาตะอัญญมัญญานิสยาวิปากะอินตริยามัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือเหตุสหาชาตะนิสยาวิปากะอินตริยมัคคะวิปยุตตาอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยส0บคือเหตุสหาชาตอัญญามัญญานิตยาวิปากะอินทรียะมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปากะหสาธิปติปปฏิอินทรียะมัคคะคตนา443ปัจจัย8คือเหตุ อธิปติสหาชาตะนิตยาอินตรียามัคคะอธิและอวิกะตะมีสี่วาระปัจจัยสิบคือเหตุอธิปติสหาชาตานญญมัญานิตยาอินตรียามัคคสัมปยุตตาอธิอวและอวิกะตะมีสองวาระ ปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหาชาตะนิตย์อินตรียมัคควิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสองวาระในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย9คือเหตุอธิปติสหาชาตะนิตย์วิปากะอินตรียะมัคคอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย11 คือเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะอินตริยะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคือเหตุอธิปติสหชาตะนิตยวิปากะอินตริยะมัคคะวิปยุตตะอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระในมืองเล็บสวิปากะสาม เหตุมูลกายนัยจบอารามณสภาคไนสย4 4่อธิปฏิปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจดวาระนิสยปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับอารามณะปจัยมีสามวาระ วิบยุตตาปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมีสมวาระอวิกตปัจจัยกับอารัมมณปัจจัยมีสามวาระอารัมมณคขตนา445ปัจจัย3คืออารัมมณอธิปติและอุปนิจยมีเจดวาระ ปัจจัย4ี่คืออารามณะปุเรชาตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหคืออารามณานิตยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยหกคืออารามณ์อธิปติอุปนิสัยปุเรชาตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8ดคือ อารัมมนณะอธิปฏินิตยอุปนิตยปุเรชาตะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระอารัมณนะมูลคนยัยจบอธิปฏิสภาคนายัย446เหตุปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีสวาระอารัมณนะปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระ สหชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระอุปนิตยปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระ อินทรียปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระมรรคปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับอธิตปติปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระอวิกระปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีแปดวาระมิสกขตนา สี่สี่สปัจจัย3คืออธิปติอัติและอวิคตะมี8วาระปัจจัย4คืออธิปตินิตยอัติและอวิคตะมี8วาระปัจจัย5คืออธิปตินิตยวิปยุตตาอัติและอวิคตะมี4วาระปักินนกกัตนา448ปัจจัย3คือ อธิปติปจจอารามณะและอุปนิเตยมีเจดวาระปัจใจหกคืออธิปติอารามณะอุปนิเตยปุเรชาติอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออธิปติอารามณะนิตย์ยอุปนิเตยปุเรชาตะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งมาระสหชาตะฉันทาทิปติคตะคตนา สี่ร้ปัจจัย5คือที่ปฏิสหชาตะนิตย์อัตถิและอวิกตะมีเจดวาระปัจจัย7คือที่ปฏิสหชาตานิญมัญญานิตย์สัมปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย6คืออธิปติสหชาตะนิตย์วิปยุตตะอัตถิและอวิกตะมีสามวาระ ในมูลเล็บอวิปากะ3ปัจจัย6คืออธิปติสหาชาตะนิสยาวิปากะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออธิปติสหาชาตะาญญมัญญานิสยาวิปากะสัมปยุตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเคืออธิปติสหาชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากะสจิตตาธิปติฆตนาที่รหปัจจัยเจคืออธิปติสหาชาตะนิตยาอาหาระอินทรีะอัตติและอวิกตะมีเจ็ดวาระ ปัจจัย9คืออธิปติสหาชาตะอัญญมัญญานิตยะอาหาระอินตริยะสัมปยุตตอาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออธิปติสหาชาตะนิตยะอาหาระอินตริยะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระในมงเล็บอวิปากสาม ปัจจัยแปดคือทิปติจหชาตะนิตยาวิปากะอาหาระอินตรียะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยติคือทิปติจหาชาตะัญญมัญานิตยาวิปากะอาหาระอินตรียะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือ อธิปติจหาชาตะนิตยวิปากะอาหาระอินตรียะวิปยุตตาอัติและอวิตะมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากะสามวิริยาธิปฏิคตนา451าปัจจัย7คืออธิปติสหาชาตะนิตยอินตรียะมัคคอัติและอวิกตะมีเจ็วาระ ปัจจัย9คืออธิปติสหาชาติัญญมัญญานิตย์อินตรียะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8ดคืออธิปติสหาชาตะนิตย์อินตรียะมัคคะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระในมุงเล็บอวิปากะสาม ปัจจัย8คืออธิปติสหาชาตะนิตยกวิปากะอินตริยมามัคคะอติและอวิคตตมีหนึ่งวาระปัจจัย10คืออธิปติสหาชาตะยัญญมัญญานิยกวิปากะอินทริยมามัคคะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือ อติปติสหาชาตะนิตยาวิปากาอินตรียมัคควิปยุตตาอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากษาวิมังสาธิปฏิฆตนา4ี่ห้ปัจจัย8คืออทิปติเหตุสหาชาตะนิตย์อินตรียามัคอาติและอวิคตะมีสี่วาระปัจจัยสิบ คืออธิปติเหตุสหาชาตะอัญญมัญญานิตย์ยอินตริยามัคคสัมปยุตตาอัติและอวิกะตะมีสองวาระปัจจัย9คืออธิปติเหตุสหาชาตานิตย์ยอินตริยมัคควิปยุตตาอัติและอวิกะตะมีสองวาระในวงเล็บอวิปากษาม ปัจจัยเคืออธิปติเหตุสหาัชชาะนิตยาวิปากะอินตริยะมัคคะอธิและอวิคตตะมีหนึ่งวาระปัจจัย11คืออธิปติเหตุสหาชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอินตริยะมัคคสัมปยุตตะอธิและอวิคตตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยสิบคืออธิปติเหตุสหาชาัชชะนิตยาวิปากะอินดริยมักคะวิปยุตตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากะสามอธิปติมูลกานในจบอนันตรสภาขันยสีร้อยห้าสิบสาม สมันตรัปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิเตยปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอาเสวณปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระวิกตปัจจัยกับอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระอนันตรคัตนา สห้าสิบปัจจัยหคืออนันตระสมนันตระอุปนิสติยานติและวิคตะมีเจดวาระปัจจัยหกคืออนันตระสมนันตระอุปนิสติยาอาศวะนันติและวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออนันตระสมนันตระอุปนิสติยกรมมะนันติและวิคตะมีหนึ่งวาระอนันตระมูลกนัย จบสมานันตรสภาค้นสี่รยห้าห้าอนันตรปัจจัยกับสมานันตรปัจจัยมีเจดวาระอุปนิเตยปัจจัยกับสมานันตรปัจจัยมีเจดวาระอาเสวนปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับสมานันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับสมานันตรปัจจัยมีเจดวาระ วิคตปัจจัยกับสมานันตรปัจจัยมีเจดวาระสมานันตรคัตนา4ี่ห้าปัจจัย5คือสมานันตรอนันตระอุปนิสติยานติและวิคตะมีเจดวาระปัจจัย6คือสมานันตรอนันตรอุปนิสติย์อาเสวะนันติและวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คือ สมณันตระอนันต ร, นนตรอุปนิเตยกรร ม, มะนัตถิและวิคตตามีหนึ่งวาระสมณันตรมูลกไนจบสหชาตะสภาไนัี่ยห้าเจ็หตุปัจจัยกับสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอธิปติปัจจัยกับสหชาติปัจจัยมีเจ็ดวาระ อัญญมัญญาปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีห้าวาระกามะปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระอินเดรียปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจดวาระชานปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจดวาระ มัคปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9้าวาระอวิกตปัจจัยกับสหชาตปัจจัยมี9้าวาระสหชาติตคตนา4ี่ห้ ปัจจัย4คือสหชาตะนิตย์อัตถิและอวิกตะมีก้าวาระปัจจัยหคือสหชาตานญญมัญญานิตย์อัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย6คือสหชาตะอัญญมัญญานิตย์สัมปยุตตะอัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัยหคือสหชาตะ นิตยาวิปยุตตาอัตติและอวิคตตมีสามวาระปัจจัย 6. คือสหาชาตะอัญญมัญญะนิตยาวิปยุตตาอัตติและอวิคตตมีหนึ่งวาระในวงเล็บอวิปากะหปัจจัยหคือสหชาตะนิตยาวิปากะจจอาาตะัตติและอวิคตตมีหนึ่งวาระ ปัจจัยหคือสหชาตะอัญญมัญญวิปากะอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือสหชาตะอัญญมัญญนิตยาวิปากะสัมปยุตตอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือสหชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือ สหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอธิและอวิขตมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากะหสหชาตามูละกะกไนจบอัญญมัญญาศภาคไนัี่ยห59เหตุปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยมีสาวาระอธิปติปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระ สหชาตปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอินตรียปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ มัคคับัตกับอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตาปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระวิปยุตตาปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระอวิคัตปัจจัยกับอัญญมัญญปัจจัยมีสาวาระอัญญมัญญะัตนา460ปัจจัย5คืออัญญมัญญสหชาตะ นิตยะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออัญญมัญญสหาชาตะนิตยะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย6คืออัญญมัญญะสหาชาตะนิตยะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมงลเล็บอวิปากสาม ปัจจัย6คือ si อัญญมัญญสหชาตะนิตยาวิปากะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยาวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออัญญมัญญสหชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ในวงเล็บสวิปากษามัญญ์มัญญมูลกนัยจบนิสยาสภาคณะในสย461เหตุปัจจัยกับนิสยาปัจจัยมีเจดวาระอารามณปัจจัยกับนิสยาปัจจัยมีสมวาระอธิปฏิปัจจัยกับนิสยาปัจจัยมี8วาระสหชาตปัจจัยกับนิสยาปัจจัยมี9วาระ อัญญะมัญญะปัจัยกับนิตยปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุเรชาตปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีสามวาระกามะปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจดวาระ อินทรียปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจดวาระชานปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีสาวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนิตยปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนิตยปัจจัยมี13าวาระอวิคตตปัจจัยกับนิตยปัจจัยมี13าวาระ นิตยมิสกคตานาสี่ปัจจัย3คือนิตยอาถิและอวิคตะมี13วาระปัจจัย4คือนิตยอธิปติอาถิและวิอวิคตะมี8วาระปัจจัย4คือนิตยอินทรียอาถิและอวิคตะมีเจดวาระ ปัจจัย4คือนิยวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหวาระปัจจัย5คือนิยอธิปติวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหมีสวาระปัจจัย5คือนิยอินเดรียวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีสวาระปกินณกฆคตนาสี่ ปัจจัย5คือนิตยะปุเรชาตะวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย6คือนิตยะอารมณะปุเรชาตะวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย8คือนิตยะอารมณะอธิปติอุปนิสติยะปุเรชาตะวิปยุตตาอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย6คือนิตยะปุเรชาตะอินทริยะวิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระสหชาติคตานาส64ปัจจัยสี่คือนิตยะสหชาตะอัตถิและอวิคตะมีเก้าวาระปัจจัย5คือนิตยะสหชาตะอัญญมัญญาอัตถิและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย6คือนิตยะสหาชาตะอัญญมัญญะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตตามีสวาระปัจจัย 5. คือนิตยะสหาชาตะวิปยุตตะอัตติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย6คือนิตยะสหชาตะอัญญมัญญะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระในมุงเล็บอวิปากะาห ปัจใจห้าคือนิตยะจหชาตะวิปากะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือนิตยะจหชาตะอัญญามัญญาวิปากะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือนิตยะจหชาตะอัญญามัญญาวิปากะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยหคือนิตยะจะหาชาตะวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระปัจจัยเจดคือนิตยะจะหาชาตะอัญญมั ญ, ญ า, ว, าวิปากะวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากะหนิตยะมูลกันใยจบอุปนิตยยัสภาคันใย สี่อสิบหาอารมณปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีเจดวาระอนันตรปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีเจดวาระสมาันตาระปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีเจดวาระนิตยปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาเสวนปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตาปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีหนึ่งวาระนัตถิปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตปัจจัยกับอุปนิสตยปัจจัยมีเจ็ดวาระ อวิคตปัจจัยกับอุปนิเตยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิเตยคัตนา466ปัจจัย3คืออุปนิเตยอารามณะและอธิปติมีเจวาระปัจจัย6คืออุปนิเตยอารามณะอธิปติปุเรชาตะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออุปนิเตย อารามณะอธิปตินิตยาปุเรชาตะวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัย5คืออุปนิสติยานันตระสมานันตระนัตถิและวิกตะมีเจ็ดวาระปัจจัยหกคืออุปนิสติยานันตระสมานันตระอาเสวนาณติและวิกัตมีสามวาระ ปัจจัยสองคืออุปนิสติยะและกรร ม, มะมีสองวาระปัจจัย6คืออุปนิสติยะอนันตระสมนันตระกรร ม, มะนัตถิและวิกัตะมีหนึ่งวาระอุปนิสติยะมูลกนัยจบปุเรชาตสภากัในสย467อารามณปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสาวาระ อธิปฏิปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอุปนิตยปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอินเดียปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุติปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสมวาระอธิปัจจัยกับปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระ อวิคตปัจจัยกับปุเรชาตาปัจจัยมีสาวาระปุเรชาตคัตานา468ปัจจัย3คือปุเรชาตะอาัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย5คือปุเรชาตะนิสัยวิปยุตตาอาัตติและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัยสี่คือปุเรชาตะอารามณะอัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัยหคือปุเรชาตะอารามณะนิตย์ยวิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีสามวาระปัจจัย6กคือปุเรชาตะอารามณะอธิปติอุปนิตยอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย8คือปุเรชาตะอารมณะอธิปตินิตย์ยุปนิตย์ยวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือปุเรชาตะนิตย์ยินตรียวิปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระปุเรชาตมูลกานัยจบปัจฉาชาตะสภากนัย 469วิปยุตตาปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอติปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอวิกตปัจจัยกับปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะคตนา470ร้อจปัจใจสี่คือปัจฉาชาตะวิปยุตตาอติและอวิกระตมีสามวาระ ปัจฉาชาตมูลกนัยจบอาเสวนาสภาขไนสี่ยเจ1อนันตรัปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระสมนันตรัปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระอุปนิตตียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนติปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสามวาระ วิกตตะปัจจัยกับอาเสวนะปัจจัยมีสามวาระอาเสวนาคตนา472ปัจจัย6คืออาเสวนาะอนันตระสมานันตระอุปนิสสยะนัตถิและวิกตตะมีสามวาระอาเสวนาโมลกานายัยจบกรรมมสภาคานาอิ473 อนันตระปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระสมาันตรปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจดวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระนิตยะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิตยะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหาระปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจัยกับกรรมปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระนาธิปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตตปัจจัยกับกรรมปัจจัยมีเจ็ดวาระกรรมะปกินะกะ คตนา474ปัจจัย2คือกามะและอุปนิสัยมีสองวาระปัจจัย6คือกามะอนันตรสมานันตระอุปนิสัยนัตถิเดวิกตะมีหนึ่งวาระสหชาตคัตนา475ปัจจัย6คือกามะสหชาตะนิสัยอาหาระอัติ และอวิคตะมีเจดวาระปัจจัยเจดคือกรรมะสหัชตะอัญญมัญญานิตยะอาหาระอัติเดวิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือกรรมะสหัชตะอัญญมัญญานิตยะอาหาระสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจดคือกรรมะสหัชตะนิตยะ อาหารวิปยุตตาอัตถิ uh, และอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสี่ปัจจัย7คือกรรมะสหาชาตะนิตยาวิปากะอาหารอัตถิ uh, และอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือกรรมะสหาชาะัชตาอัญญมัญญานิตยาวิปากะอาหารอัตถิ uh, และอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย9คือกรรมะจะาชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะอาหาระสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือกรรมะจะหชาตะนิตยาวิปากะอาหาระวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือกรรมะจะหชาติอัญญมัญญานิตยาวิปากะอาหาระ วิปยุตตาอธิและอวิกตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บวิปากะหกรรม ม, มูลกะนในจบวิปากะสภาคนในสยเ7็เหตุปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระสหาชาตปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 สัมปยุตตะปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากับตนา477ปัจจัย5คือวิปากสหชาตานิสยาอัตติและอวิกตะ มีหนึ่งวาระปัจจัย6คือวิปากะสหชาตะอัญญมัญญานิตยะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คือวิปากะสหชาติอัญญมัญญานิตยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย6คือวิปากะสหชาตะนิตยะวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเคือวิปากะสหาชาตะอัญญมัญญะนิตยาวิปยุตตะอัตถิและอวิคตตมีหนึ่งวาระวิปากะมูลกานายัยจบอาหารสภาคณีสอย478ิปอธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัป จ, จัยมีเจ็ดวาระสหาชาตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจ็ดวาระ อัญญมัญญาปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระนิตย์ญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับวิปกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตะปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระาวิคตัวิคตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีเจดวาระอาหารมิศกขตนา479ปัจจัย3คืออาหาระอธิและอวิคตะมีเจ็ดวาระสหชาตสามัญญคขตนา ส8 0อปัจจัย5คืออาหาระสาชาตานิตยอัติและอวิคตะมีเจ็วาระปัจจัย6คืออาหาระสาชาตอัญญมัญญานิตย์อัติและอวิคตะมีสาวาระปัจจัย7คืออาหาระสหชาตัญญมัญญ า, น, ญานิตยสัมปยุตตอัติและอวิคตะมีสาวาระ ปัจจัย6คืออาระอาหาระชาชะตานิตยาวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย6คืออาหาระชาชะตานิตยาวิปากอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจดคืออาหาระชาชะตานญยมัญญานิตยาวิปากอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัย8ดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากะสัมปยุตตาอัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเจดคืออาหาระสหชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตาอัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือ อาหาระสหาชาตะอัญญามัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิกตะมีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปากะ5สกกัมมะคัตนา481ปดสิัจใจหกคืออาหาระสหาชาตะนิตยากัมมะอัตติและอวิกตะมีเจวาระ ปัจจัยเจ็ดคืออาหารราธชาตะัญญมัญญานิตยกรรมะอติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8ดคืออาหารราธชาตะัญญมัญญานิตยกรรมะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจดคืออาหารราธชาตะนิตยกรรมะวิปยุตตาอติและอวิคตะมีสามวาระ ในวงเล็บอวิปากสีปัจจัยเจ็ดคืออาหาระสหชาตะนิสัยกรรมะวิปากะอัติและอวิกตะมีสามวาระปัจจัยแปดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิสัยกรรมะวิปากะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเกคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิสัย กรรมวิปากะสัมปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะนิตยกรรมวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออาหาระสหชาตอนญยมัญญานิตยกรรมวิปากะวิปยุตตาอัตถิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ในวงเล็บสวิปากะ5สอินทริยคตนา482ปัจจัย6คืออาหาระสหาชาตะนิตยาอินทริยัติและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย7คืออาหาระตหาชาตอนญยมัญญา น, นิตยาอินทริยอัติและอวิกะตะมีสามวาระ ปัจจัย8คืออาหาระตหาชาตะอัญญมัญญานิตย์ญาอินทรียะสัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย7คืออาหาระตหาชาตะนิตย์ญาอินทรียะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากษี ปัจจัย7ดคืออาหารราษฎชาตะนิตยาวิปากะอินทรียาอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปดคืออาหารสหษฎชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากอินทรียาอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือ อาหารจัฮชาตัญญมัญญนิตยาวิปากะอินทรียสัมปยุตตาอัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออาหารจัฮชาตะนิตยาวิปากะอินทรียสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือ อาหารตาหชาตาัญญามัญญานิตยาวิปากะอินทริยาวิปยุตตอาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมุงเล็บสวิปากะหสาธิปฏิอินตริยาขตนาส83ปัจจัยเจ็คืออาหารตาทิปติตหาชาตะนิตยาอินตริยอาอติและอวิคตะมีเจ็ดวาระ ปัจจัย9คืออาหาระอธิปติจาราตอัญญมัญญานิตย์ญอินทรียะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระอธิปติสหชาตาณิตย์ญอินทรียะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากษามัม ปัจจัย8ดคืออาหาระอธิปติจหาชาตะนิตยาวิปากะอินตริยะอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออาหาระอธิปติจหาชาตะัญญมัญานิตยาวิปากะอินตริยะสัมปยุตตาอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยเก้าคืออาหาระอธิปติสหาชาตะนิตยาวิปากะอินตริยาวิปยุตตะอัติและอวิกระะมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากษาอาหารมูละกะนัยจบอินตริยสภาคณัย48 484เหตุปัจจัยกับอินตริยปัจจัยมีสี่วาระ อติปติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตาปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระนิตยยปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระปุเรชาตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจ ah well ัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีสามวาระอติปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมีเจ็ดวาระ อวิคตปัจจัยกับอินทรียปัจจัยมี7ดวาระอินทรียมิสขะขะนะสะคัตนา485ปัจจัย3คืออินทริยอัตติและอวิคตะมี7ดวาระปัจจัย4คืออินทริยนิตยาอัตติและอวิคตะมี7ดวาระปัจจัย5คืออินทรียานิตยาวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสวาระ ปกินกะคตนา486ปัจจัย6คืออินทริยานิสยาปุเรชาตะวิปยุตตาอัตถิและอวิกะตะมีหนึ่งวาระสาชาตสามัญญคัตนา487ปัจจัย5คืออินทริยาสหชาตะนิสยาอัตถิและวิกะตะมี7วาระ ปัจจัยหคืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญาณิตย์อัตติและอวิกตะมีสามาระปัจจัยเจ็คืออินทริยสหชาตะอัญญามัญญาณิตย์สัมปยุตตาอัตติและอวิกตะมีสามาระปัจจัยหคืออินทริยสหาชาตะญญาญญานิต ย, ย์วิปยุตตาอัตติและอวิกตะมีสามาระในวงเล็บอวิปากสี ปัจจัย6คืออินทริยะตหาชาตะนิตยาวิปากะอัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออินทริยะตหาชาตะอัญญาัญญานิตยาวิปากะอัติและอวิกะตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คือ อินทรียาจารยชาตาิัญญมัญญานิตยาวิปากะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย7คืออินทริยาจารยชาตะนิตยาวิปากะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทริยาจารยชาตาิัญญมัญญานิตยาวิปากะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ในวงเล็บสวิปากะ5สมัคคคตนา4ี8ปัจจัย6คืออินทริยะจหาชาตะนิตยามัคคะอติและอวิคตตามีเจดวาระปัจจัย7คืออินทริยะจหาชาตะานญยมัญญานิตยามัคคะอติและอวิคตตามีสาวาระ ปัจจัยแปดคืออินทริยาหาชาตานญญมัญญะนิตยามัคคัมยปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจ็ดคืออินทริยาหาชาตะนิตยามัคคาวิปยุตตาอัติและอวิกะตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสี ปัจจัยเจ็ดคืออินท um, ริยสหชาตะนิตยาวิปากะมัคคอัตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปดคืออินทริยสหชาตานิญามัญญานิตยาวิปากะมัคคอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคืออินทรียาตหชาตะ อัญญามัญญานิตยวิปากะมัคคะรมปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย8คืออินทริยาหชาตะนิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอัิและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทริยสหชาตะอัญญมัญญานิตยวิปากะมัคคะวิปยุตตาอัิและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ในมงเล็บสวิปากะหสัจชาณคตนา489ปัจจัยหคืออินทริยาตหัตชาตะนิตยาชาณะอัติและอวิกะตะมีเจดวาระปัจจัยเจ็คืออินทริยาตหัตชาตัญญมัญญานิตยาชาณะอัติและอวิกะตะมีสามวาระ ปัจจัย8ปคืออินทรียาจหชาตานญญมัญญานิตยชานะสัมปยุตตอาอัติและอวิคตะมีสาวาระปัจจัยเจ็คืออินทริยาหชาตะนิตยชานะวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสี ปัจจัยเจ็ดคืออินทรียาตหาชาตะนิตยาวิปากะชาณะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยแปคืออินทริยาตหาชาตะอัญญมัญานิตยาวิปากะชาณะอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยเกคืออินทริยาตหาชาตะอัญญามัญะ นิตยวิปากาชาณะวิปยุตตะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออินทริยาจหัชตะนิตยวิปากาชานะวิปยุตตาอตติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทริยาหัชตะอัญญามัญญะนิตยวิปากาชานะวิปยุตตาอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ในมึงเล็บสวิปากหาาะหสัจฉานมัคคตนา490ปัจจัยเจ็คืออินทริยาตหาชาตะนิตยาชาณมัคคอัติและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย8คืออินทริยาตหาชาตอัญญมัญญานิสยาชาณมัคคอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย9ก้าคืออินทริยะ สหาชาตะอัญญมัญญะนิตยาชานะมัคคะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยแปดคืออินทริยะสหาชาตะนิตยาชานะมัคคะวิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากตสี ปัจจัย8ดคืออินทริยาจาริยาตะนิตยวิปากชานะมคะอติและอวิตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคืออินทรยริยาตาอัญญมัญญานิตยาวิปากชานะมคะอติและอวิตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออินทริยาจาาตะอัญญมัญญนิตยวิปากชานะมคะ สัมปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทริยาจหชาตะนิตยาวิปากาชานะมัคควิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจใจสิบคืออินทริยะจหชาตะอัญญมัญญานิตยาวิปากาชานะมัคควิปยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระ ในมุงเล็บสวิปากะหาสาหารคัตนา491ปัจจัย6คืออินทริยาสหาชาตะนิตยาอาหาระอติและอวิกตะมีเจดบาระปัจจัย7คืออินทริยาสหาชาตะอัญญมัญญนิตยาอาหารอาัติและอวิกตะมีสามบาระ ปัจจัยแปดคินตริยสหัจจานิญมัญญานิตย์ยาอาหารวมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเจ็ดคินตริยสหัจจาตะนิตย์ยาอาหารวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระในวงเล็บอวิปากสีปัจจัยเจ็ดคินตริยสหัจจาตะนิตย์ยาวิปากาอาหาร อัตถีและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจใจแปดคืออินทริยสหัชาตัญญมัญญะนิตยาวิปากะอาหาระอัตถและอวิัตะมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทริยาหัชาตัญญมัญญะนิตยาวิปากะอาหาระสัมปยุตตอตีและอวิัตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยแปดคืออินทริยาจาชาาิยตะนิตยาวิปากะอาหารวิปยุตตะอัตติและอวิกตตามีหนึ่งวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยาจาชาาิยตะอัญญมัญญะนิตยาวิปากะอาหารวิปยุตตาอัตติและอวิคตตามีหนึ่งวาระในมือเล็บสวิปากะห้า 5. สาธิปฏิอาหารคตนา 492เบปัจจัย7คืออินทริยะอธิปติสหาชชตะนิตยาอาหาระอธิและอวิคตะมีเจวาระปัจจัย9คืออินทรียะอธิปติสหาัชาตะตัญญมัญญานิตยาอาหาระสัมปยุตตอธิและอวิคตะมีสาวาระปัจจัย8คือ อินทรียาอธิปติสหชาตะนิตยาอาหารวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสามวาระในมือเล็บอวิปากสามปัจจัย8คืออินทริยอธิปติสหชาตะนิตยาวิปากาอาหารอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออินทริยอธิปติสหัชชะตานญยมัญญานิตยา วิปากะอาหาระสามปยุตตาอัติและอวิคัตตมีหนึ่งวาระปัจใจเก้าคืออินทริยะอธิปติสาชาตะนิตยาวิปากะอาหาระวิปยุตตะอติและอวิคัตตมีหนึ่งวาระในวงเร็บสวิปากะสามสาธิปฏิมคัตตนา493า ปัจจัยเจคืออินทรียะอธิปติตหชาตะนิตยามัคคะอติและอวิคตะมีเจดวาระปัจจัย9้าคืออินทรียะอธิปติตาหาชะตานญยมัญญานิตยามัคคะวิปยุตตะอติและอวิคตะมีสาวาระปัจจัย8ดคืออินทริยอธิปติตหชาตะนิตยามัคควิปยุตตาอติและอวิคตะมีสาวาระ ในวงเล็บอวิปากะ3ปัจจัย8คืออินทริยอธิปติจหาชาตะนิตยาวิปากะมัคคะอติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย10บคืออินทริยอธิปติจหาชาตานญญมัญญา น, นิตยาวิปากะมัคคสัมปยุตตอติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คือ อินทริยะอธิปติสหาัชาตะนิตยาวิปากะมัคควิปยุตตาอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเล็บสวิปากษามเหตุมาาตัคคตนา494ปัจจัย7คืออินทริยะเหตุสหาัชาตะนิตยมามัคคอัติและอวิคตะมีสวาระปัจจัย8คือ อินทริยาเหตุตสหชาตะอัญญมัญญานิตยมัคคะอติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทริยาเหตุตสหชาตะอัญญมัญญานิตยมัคคะสัมปยุตตาอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คืออินทริยาเหตุตสหชาตะนิตยมัคคาวิปยุตตาอติและอวิคตะมีสองวาระ ในวงเล็บอวิปากสีปัจจัย8คืออินทริยาเหตุสหาชาตะนิตยวิปากะมะัคคะอติและอวิคตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9คืออินทรียาเหตุสหาชาตะอัญญยมัญญานิตยาวิปากะมะัคคะอติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระ ปัจจ mm ัยส um ิบคืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญนิตยวิปากมัคคะสัมปยุตตาอัตต ah ิและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัย9้าคืออินทริยะเหตุสหชาตะนิตยวิปากมัคคะวิปยุตตาอัตติและอวิคัตะมีหนึ่งวาระปัจจัยสิบคืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะ นิตยาวิปากะมาาัคคัพปิยุตตาอัตติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในวงเร็บสวิปากะหสเหตุอธิปติมัคคตนา495ปัจใจแปดคืออินทริยเหตุอธิปติสหาชาตะนิตยามาาัคคัตติและอวิกตะมีสี่วาระปัจใจสิบคือ อินทริยาเหตุอธิปติสหาชาัชชะตาัญญมัญญานิตยามักคะสัมปยุตตาอติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยาเหตุอธิปติสหาชาตะนิตยามักค้าวิปยุตตาอัติและอวิคตะมีสองวาระในมุงเล็บอวิปากษัม ปัจใจเก้คืออินทริยเหตุอธิปติสหาชาตานิตยาวิปากะมัคคะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระปัจจัย11คืออินทริยเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิตยาวิปากะมัคคสัมปยุตตอัติและอวิกตะมีหนึ่งวาระ ปัจจัยติบคืออินตริยะเหตุอธิปติสหาชาตะนิตยะวิปากะมักคาวิปยุตตะอัติและอวิคตะมีหนึ่งวาระในมงเล็บสวิปากะสามอินตริยะมูลกนในจบ